นี้พอเที่ยงหรือศูนย์ก็มาเป็นที่มาของข้อปฏิบัติทั้งหลายว่าเออถ้าเที่ยงแล้วทำไงดีถ้าวัตตะเที่ยงนะถ้าวัตตะเที่ยงเขาจะเริ่มบัญญัติข้อปฏิบัติว่าไม่ต้องทำอะไรนะพวกทิฏฐิทั้งหลายก็จะเข้ามากลมกลมสัตสตาทิฏฐินะในทิฏฐิหกิมีอุดเฉททิฏฐิอยู่เจดอุดเฉททิฏฐิมีเจ็ดสองเอาออกเจ็หรือเท่าไหร่ อ น, นะห้าสิบห้าเป็นอุดสัตตะที่มาของลัทธิหรือข้อปฏิบัติโดยประการทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นมาในโลกวิชาการทั้งหลายวิชาที่ภาษาธรรมะเรียกอวิชาเนาะทางโลกเขาอาจจะเรียกวิชาแต่คำสอนเราเรียกว่าอาวิชาเพราะว่ามิจฉาญาณ น, นะเป็นชื่อของมิจฉาทิฐินะ เ, เป็นชื่อของโมหะเนี่ยนะมันก็จะคิดบัญญัติหลักการเหตุผลต่างๆมา แต่ทีนี้ในลัทธิทั้งมวลเหล่านี้นะทั้งศาสตาอุเชตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมพวกนี้อีกอยู่ดีว่าโดยรวมๆนะทั้งคิดว่าอุดเฉตหรือศาสตาก็เพื่อเพื่อความงามบ้างเพื่อความเที่ยงบ้างเพื่อความสุขสรุปไปเพื่อบำเรออัตตาอีกเนี่ยนะ ก, ก็หมุนเวียนเปลี่ยนใจอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทิ้งอะไรเกาะไปเรื่อย ท, ท, ที่มีความเข้าใจผิดอย่างนี้ไปเรื่อย มันวิธีแก้ก็คือรู้จักตามความเป็นจริงอะนะนั้นแก้ก็พระองค์แก้ด้วยการให้สดับเนี่ยนะให้ฟังกรอย่างนั้นเถอะในเรื่องของอัตตาทังมดที่กำลังพูดอยู่นี่อาจารย์ไปปูกไว้อยู่ที่สตัสัญญาสตสัญญานี่มีโลภบวกกับทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าหาก พูดถึงทิฏฐิก็จะเท่ากับโลภะสี่แค่นั้นเองและส่วนอีกสี่อันนี้ไม่มีทิฐิไม่มีทิฏฐิประกอบเมื่อไมมีทิฐิประกอบความเห็นว่าเป็นตัว ต, วตวนก็ไม่มีสิครับก็ไม่มีไม่มีความเห็นอันนั้นแต่ถ้าเป็นปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยอมันเหมือนอะไรเหมือนกับคนเป็นไข้มาลาเรียเ น, นี่ยไงเราจะบอกว่าเขาหายไขย้มันก็บอกไม่ได้จะบอกว่าเขาป่วยอาการเขาก็ไม่กำเริบ тов, อย่างเงี้ย ปูตุชนทั่วๆไปนะที่ที่ตะตะสัมปยุตสี่วิปยุตสี 4, ไม่ได้เกิดร่วมกันแต่ว่าไอ้ทิ่ที่ขตะวิสัมปยุตมันบ่อยเลยเรียกว่าคนป่วยเนี่ยนะเหมือนกันเลยเรียกว่าปูตุชนเนี่ยเพราะเขาเกิดนาแ น, น่นมากไอ้ตัวมิจฉาทิถีอันนั่นนะนาแน่นเพราะนั้นเราจะเรียกว่าเขาหายป่วยก็ไม่ได้จะเรียกว่าคนป่วยเรียกตลอดก็ไม่ได้ น, นะปูตุชนทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเลยเรียกเหมารวมๆว่าคนไข้เนี่ยนะก็เลยเนี่ยอย่างเงี้ยปุตุชนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นผิดตลอด เขาก็เห็นเป็นครั้งคราวแล้วปุตุชนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอกุศลตลอดที่ไหนเนี่ยนะเพราะปัจจัยแห่งกุศลคืออะไรหนึ่งปุเพกะตะปุญญาตาสองอัตตะสัมมาปณิทิสโยนิโสมนัสิการเนี่ยนะสี่ก็ฟังธรรมเนี่ยนะพวกนี้เป็นปัจจัยแห่งกุศลทั้งหลายเนี่ยนะถ้าปัจจัยเหล่านี้ไม่มีอกุศลก็เข้ามาอีกเนี่ยนะ มันพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเป็นความเห็นที่วิปริตเป็นความเห็นที่ไม่ตรงต่อต่อสิ่งเหล่านั้นเป็นจริงที่ไม่เห็นตามเป็นจริงเพราะเนี่ยปัจจัยของมิจฉาทิฏฐิคือไม่ได้สดับคนที่คิดเองแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยนะเอาไว้จำว่ามีสองพวกเท่านั้นอ่ะคือพระปเจกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนี่นะพวกนี้คิดเองแล้วคิดเองเป็นสัมมาทิฏฐิ ที่เหลือคิดเองโดยมากไม่ใช่สัมมาทิฏฐิก็เคยคิดเองและเป็นวิปัสสนาบ้างไหมคุณบุญชูนะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยสุตะเข้าช่วยนะผู้ที่คิดเองแล้วเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเป็นกรรมและผลของกรรมเป็นอริยสัตว์เนี่ยคิดเองเลยคือมีสองท่านคือพระปจเจ ก, กับพระพุทธเจ้าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มี มีไหมคุณวิลาวันเคยไปอยู่ๆคิดเองแล้วเป็นสมถะวิปัสนาไหมคิดเออนี่กรรมและผลของกรรมอ่ะนะโดยที่สมัยที่ไม่เคยฟังอะไรเลยเนะไม่มีข้อมูลทางธรรมะเลยอะ่ะไม่ใช่อยู่แล้วขนดฟังอยู่ ย, ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะจะกล่าวไปใหญคิดเองอ่ะนะส่วน สัตว์ทั้งหลายเมื่อเข้าใจผิดนะนะตัวในครั้งหนึ่งพราว่าเข้าใจผิดสรุปรวมๆ ว, ว่าเที่ยงศขงามอัตตาซึ่งพวกนี้ก็แบ่งออกเป็นสองไวคื อ, อขอไปนะพวกนี้เป็นทิฏฐิคิดว่าเที่ยงสุกงามอัตตาก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกคือสัตตะกับ อุเฉดเดนี่ยนะอันนี้เป็นความเห็นของเขาความเห็นหรือความเข้าใจของเขาก็ได้เมื่อเขาเห็นเขาเข้าใจแบบนี้แล้วตั้งคำถามว่าเขาจะคิดอะไรอ่นะเขาจะคิดอะไรว่ารวมๆก็คือคิดอ่นะถ้าเขาเห็นว่าเที่ยงว่าสุกว่างามว่าอัตานะกามวิตกก็เกิด เพื่อเพื่อเพื่อต้องการใช่ไหมสิ่งใดที่จะทำให้เขาขาดแคลนในสิ่งเหล่านี้นะไม่สมหวังอะไรเกิดไม่พอใจอะ่ะพยาบาทวิตกก็จะเกิดมาเขาคิดแบบนี้นี่เมื่อเขาเป็นอย่างนั้นก็กคิดเบียดเบียนะนะสิ่งใดที่จะมาขัดขวางเขาคิดทำลายก็วิหิงสาวิตกก็ เพราะนี่เป็นความคิดของเขาความตรึกของเขาเป็นแบบนี้เหนทีนะ น, นี้พอการมัวิตกพยาบาทวิตกอ่ะเป็นอย่างเงี้ยตามมาด้วยอะไรก็แบ่งออกเป็นล่วงมาทางกายล่วงมาทางวาจานี่นไะผลออกมากายก็จะเป็นกลุ่มปาณาติบาตว่ารวมๆเลยเนะีย จุดจบของสายโทสะทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยพวกวิตกพวกนี้มันสลับคลาคราวกันไปเนะี่ยมันเป็นระบบที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแบบนี้คิดไปคิดมาในที่สุดทา่าพยาบาทกับวิหิงสาวิตกเต็มบริบูรณ์ปานากามวิตกส่วนหนึ่งก็ออกมารูปแบบอธินนาทานเนี่ยนะอีกส่วนหนึ่งก็จะออกมาเป็นการเบสุมิตรฉาจาร อันนี้เป็นผลล่วงออกมาจากความคิดแล้วคำของเขาที่เขาพูดอะมุษาอะไรปีสุนาเอ่อพรุสวาจา้วก็สัมผัสปลาปะกนย น, นี่เราเราไปดูอับ คนน้อยนักในโลกเนี่ยที่มีกายกรรมพ้นเพื่อไม่ไปสู่จุดเหล่านี้มีวจีกรรมที่ไม่ไม่เป็นแบบนี้โดยมากวาจีกรรมเนี่ยต้องเข้าสีอา่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพวกเช่นสัมผสปลาปากะก็คือเดรัจฉานกถาสามสิบสองเรื่องก็ปกติคนคุยกันก็ไม่เกินนี้อยู่แล้วเนี่ยนะไม่ค่อยมีกระถาวัตถุศีปไปแทรกในนั้นง่ายๆนะไม่ค่อยมีศีลเล ย, เยคุยกัน ทีนี้ถ้าล่วงมาทางกายผลก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะีคืออาชีพของเขาแหละนะคือเมื่อเขาคลุกครีแบบนี้มากๆอน่ะนัคืออาชีพของเขาส่วนรายได้จะมาตามนี้หรือไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมรายได้เพราะว่าผลที่ได้รับในโลกนี้นะียก็การรักษอุปทิประโยคะแล้วแต่บุญอย่างอื่นมาด้วยไม่ได้แปลว่าทําอย่างนี้ทั้งหมดแล้วจะต้อง คือมันเป็นอาชีพในตัวแ่ะแต่ว่าจะมีผลมีกำไรหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งะนะเราอาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถ้าเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะนะในโลกนี้ใครอยากเป็นอะไรก็ทำได้หมดอย่างที่ตัวเองต้องการหมดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนี่แต่อาไก็ตามแต่นีปนในเรื่องของวาจาอ่ไม่วาจาก็กายกายเนี่ยในที่สุดนะก็จะเข้ามาหากลุ่มนี้นี่พอ ทุกอย่างเนี่ยนะต้องทำด้วยความเพียรหมดนะพวกนี้จะต้องบวกด้วยวิริยะเสมอบวกด้วยมิจฉาสติมิจฉาสติก็คืออากุศลจิตตุบาทเนี่ยนะแล้วก็ไอสมาธินี่ก็สมาธินี่ตามสมควรนะสมาธินี่ตามสมควรอันนี้บวกบวกอยู่ในตัวอยู่แล้ว ในขณะที่มีมิจฉาทิฐิก็มีวิริยะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิอยู่ด้วยขณะที่เป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาวาจาเนี่ยนะมิจฉากรรมตะเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีบาปอากุศลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นว่าโดยรวมๆทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้ที่ผิดของเขาเป็นมิจฉาญาณะของเขาทั้งหมดแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งว่าเขาเขาบำเพ็ญตามนี้เขาเรียกว่าเขาพ้นแล้วมีคนเข้าใจผิดใช่ไหมว่าเขาพ้นแล้ว สบายแล้วเมือย่างเช่นกลุ่มกเกษียณแล้วนะเขาว่าเขาสบายแล้วเขาพ้นแล้วใช่ไหมเขาก็เลยไม่ขวนขวายอะไรนะเขาถือว่าเขาพ้นแล้วคนพวกนี้จะเรียกว่าหันไปศึกษาธรร ม, มะไหมบอกไม่เอานอนเน้ะนะ น, เนนะจนต่อมันก็กลุ่มเนี่ยเขานึกว่าเขาพ้นแล้วใช่ไหม ก็รูปแบบมันก็เป็นแบบนี้นะนี่คือสัตว์ในวะตะัตฏะเป็นอย่างนี้จริงๆก็ดิมเนินอยู่ด้วยมิฉามักเนี่ยนะมันกลุ่มที่ทําปริญญาในทุกทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อกําหนดรู้ในปริญญาปริญ ญ, ญายธรรมในที่สุดต้องมาละปหาตประธรรมเหล่านี้ได้ถ้าไม่ละสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าไม่ถูกต้อง พื้นฐานของการเข้าใจว่าเที่ยงสุขงามอัตตาเนี่ยเข้าใจในอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะเข้าใจในทุกขสัต์จริงๆว่าโดยรวมๆพื้นฐานมาจากวิปลาสยึดถือทุกขสัต์นั่นเองผลออกมาก็จะรูปแบบเป็นแบบนี้ธรรมะทั้ง10ที่กล่าวไปเนี่ยนะต้องต้องละนะแต่ว่าจะละจริงๆก็ตรงกันข้ามนะพื้นฐานแห่งการละนะ ต้องอยู่ตรงกันข้ามคือเห็นยังไงว่าต้องไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นว่าอสุภะเห็นว่าอนัตตาพื้นฐานอันนี้จึงจะมาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเริ่มต้นที่ความเข้าใจเนี่ยนะมาปรับทำความเข้าใจในทุกข์กษัตริย์คืออุปาทานขันท่าก็ คือคำว่ากายว่ากายตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นเมื่อใดที่ทําจิตตชรูปเป็นกายวิญญัตเรียกว่ากายกรรมถ้าเป็นวจีวิญยัตเนี่ยนะเรียกว่าวจีกรรมถ้าไม่ทําว่าวิญยัตสองอย่างนี้เรียกว่ามโนกรรมในตัวทีนี้พวกกรรมเหล่านี้ก็มาแบ่งนะดูข้อต่อไปเนี่ยจะสัมพันธ์คือกรรมบทสิบถ้าล่วงมาเป็นกายวิญยัตเนั่ยหนึ่งสองสามเป็นกายกรรม ทุจริตทางกาถ้าล่วงมาทางวจีคําพูดนี้ก็เป็นวจีกรรมถ้าเก็บเอาไว้ในใจนะตัวกรมมวิตกก็คืออยู่ในกลุ่มอภิชากลุ่มพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็อยู่ในพยาบาทตัวมิจฉาทิฐิก็เป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวไปแล้วนะที่เป็นกายวิญยัตเป็นกายกรรมวจีวิญยัตเป็นวจีกรรมตัวความคิดกับความเห็นสองตัวนี้เป็นมโนกรรม ทุกอย่างประตูอาบายอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะอากุศนกรรมบทตรงนี้นี่นะครบองค์ตามที่กล่าวถ้าครบองค์ก็นําเกิดได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ครบองค์กรรมบทก็ไม่นําเกิดเฉพาะไม่นําเกิดนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ให้ผลในประวัติการก็ให้ผลในประวัติการอยู่คือจะว่ามันหายมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ จะว่ามันหายไปเลยมันก็ยังมีผลเอาดิมันเหมือนอะไรเหมือนกับอ่นะที่สีเขามีอะเรื่องกู้อะไปกู้ก็ใช้ไปหมดแล้วอะแต่ได้เวลามันต้องจ่ายอ่อานะจะว่ามันมีนี่อยู่เอาอยู่ตรงไหนอะจะว่าไม่มีมันต้องจ่ายอเอาไงไไดีนี่แะเพราะอะไรเพราะสัญญายังมีอยู่วิธีแก้ก็ทำลายสัญญาใช่ไหม สัญญาที่ว่าเนี่ยนะก็คือแก้ที่ความเห็นไอ้ตัวความเห็นอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้ถ้าถ้าจะมาแก้ให้ถูกเมื่อไหร่นะเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิมันก็จะแก้ทั้งระบบอีกเหมือนกันมันอกุศลกรรมบท10บก็ผ่านนะเร่ผ่านเร็วมากมันก็มีตามนั้นจริงๆ คือถ้าไม่เห็นในในระดับสูงสุดนะนะอย่างสุดอางน้อยต้องเห็นกรรมสศกตาถ้าไม่มีกรรมสศกตาเลยเนี่ยนะอริยศัสตร์ก็มีไม่ได้ถ้าไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มีให้ผลนำเกิดได้นะที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยที่เป็นกรรมบทนะถ้าไม่คิดว่าให้ผลนำเกิดได้เราก็จะไม่ไม่รู้ไปน่ากลัวอะไรใช่ไหมทีนี้ถ้าการมาแก้ทั้งหลายก็คือการมาประพฤติกุศลกรรมบท พระอรหันต์คือผู้ที่มีกรรมบดบริบูรณ์ที่สุด เ, นะเาห็นไหมพระอรหันต์ไม่มีกายทุจริตแม้แต่น่อยเดียวไม่มีวจีทุจริตแม้แต่นิดเดียวไม่มีมโนทุจริตแม่นอยส่วนพระโสดาบันเนี่ยละทุจริตที่มันให้ผลนําเกิดเท่านั้นเองทุจริตนะกายวาจาใจที่จะให้ผลนําเกิดทะโสดาบันละได้พระสกะทาคามีละไอส่วนที่มันกลุ่มรุม ก็ยังพอมีเบาบางผ้านาคามีก็ละไอซี่มันเป็นปริยุทธาเนี่ยทำลายตัวที่กลุ่มรวมออกไปพระอรหันต์เนี่ยจึงละโดยสมุจเจดทั้งหมดอกุศลกรรมบทเนี่ยมาละด้วยด้วยกุศลกรรมบทนั่นเองกุศลกรรมบทเนี่ยเป็นตัวมาละกันเดี๋ยวในธรรมะในตอน ท, ท้ายเนี่ยนะพูดถึงนิชราวัตถุสิบเนี่ย จะจะกล่าวแยกออกมาชาติเลยว่ามิจฉาทิธฐิต้องละอขอสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฐิเนี่ยนะซึ่งจะได้มาจับคู่ให้สัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งตอนที่ถึงนิชระวัตถุสิบกุศลกรรมบทเหล่านี้เนี่ยนะสัมพันธ์นะทวนอีกครั้งหนึ่งนะข้อหนึ่งอขอพปย้อนอากุศลกรรมบทกัน องมัคขอไปนะมิ ช, ชะตาสิบนี่คงแยกได้เลยนะว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นที่วิปริตเห็นไม่จริงเห็นเลีเ้วไหลข้าว่าไปก็คือสัสตตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั่นแหละส่วนมิจฉาสังกปะคืออะไรคืออกุศลสังกปะสามเนี่ยนะคืออกุศลสังกปะสามมิชขาวาจาก็คื อ, เ จ, เ, อเจตนาที่เป็นเหตุแห่งวจีทุจริตสี่ อันใครที่จะรักษาศีลข้อนี้เนี่ยตั้งไว้ว่าจะต้องพูดความจริงเสมอถ้าจะรักษาศีลนนจะไม่พูดให้คลาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยนะถ้าอะไรนะถ้าสัจจะเบื้องต้นนะถ้าวจีสัจจะไม่มีถ้าวจีสัจจะไม่มีเนี่ยการที่จะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยก็มันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะ การตรัสรู้ความจริงก็ต้องอาศัยความจริงเป็นเป็นอุปนิสัยเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นนั่นนะที่จะเข้าถึงความจริงได้เพราะอริยสัจก็คือความจริงที่พระอริยะท่านท่านเห็นท่านรู้แจ้งแทงตลอดส่วนมิจฉากรรมันตะก็คือการงานทางกายนะมิจฉาอาชีพเจตนาทั้งเจ็ดเลยเนะทางกายและวาจาวายามะก็คือความเพียรที่ประกอบไปด้วยอกุศลจิตนั่นเอง มิจฉาสติท่านบอกว่าอากุศล จ, จิตที่เป็นปฏิปักต่อสติอกุศล จ, จิตทั้งสิบสองนี้ชื่อว่ามิจฉาสติหมดเลยมิจฉาสติไม่ได้มีองค์ธรรมโดยเฉพาะแต่หมายถึงอากุศลทั้งสิบสองเรียกว่ามิจฉาสติหมดเลยส่วนมิจฉาสมาธิก็คือเอกคคตาในอกุศล จ, จิตทั้งสิบสองเป็นมิจฉาสมาธิ ส่วนมิจฉาญาณะเนี่ยท่านบอกอะไรคือบอกว่าโมหะเกิดขึ้นด้วยคิดถึงอุบายในการทําชั่วเรียกว่ามิจฉาญาณะวางแผนทําชั่วนะคิดจะด่าคนอื่นยังไงโดยที่เขาไม่ต้องด่าตอ บ, บเลยนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาญาณะเนี่ยนะหรือทบทวนในความชั่วที่ตัวเองได้ทํามาพวกนี้ก็เป็นมิจฉาญานะทั้งหมดนะวางแผนทําชั่วเป็นมิจฉาญาณะทําชั่วเสร็จมาทบทวนในสิ่งที่ตัวเอง ทำชั่วไปแล้วก็เป็นมิจฉาญานะเนี่ยนะก็ชั่วทุกชนิดเลยส่วนมิจฉาวิมุตต์ก็คือไม่ได้หลุดพ้นอะไรแต่สำคัญว่าพ้นแล้วใช่ไหมฉันไม่ไปอบายแล้วจริงแล้วยังไม่ได้พ้นอะไรเลยใช่ไหมก็นั่งเบา อ, อกเบาใจไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องถามบ่อยๆเออเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราปิดอบายแล้วถ้ายังไม่มีก็น่าเห็นใจ ไม่ไม่อะแค่คิดว่าตัวเองเนี่ยพ้นแล้วแนวคนที่เป็นศาสนาพิจิพิจารณาศาสนาพิจิตรหรือว่าอเฉตพ้จิตรคนนี้ก็ถือว่าขณะนั้นก็เป็นพิจารวิมุตติในจุลแล้วคือเขาคิดนะเช่นพวกอุเฉตนะถ้าบอกว่าถ้าตายแล้วก็หมดกันใช่ไหมปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าตายแล้วจบหมดเลยอันนี้เขาก็ถจริงๆอ่ะตายแล้วมันไม่ได้พ้นอะไรใช่ไหมแต่เขาไปคิดว่ามันมันพ้นทีนี้สายสายที่นับถือผู้เป็นใหญ่อ่ะ คิดว่าถ้าตายแล้นะไปอยู่กับผู้เป็นใหญ่ปั๊บจบหมดเลยอันนี้จริงๆไม่ได้พ้นแต่เขาคิดว่าพ้นอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบทั่วๆไปเนี่ยนะก็คนที่แบบทําตัวชมๆอยู่ทุกวันเนี่ยเขาคิดว่าเขาพ้นแล้วจริงไม่ได้พ้นอะไรหรอกนะของมาก็ยังไม่ได้พ้นเลย ใช่จริงไม่ได้บรรลุอะไรแต่สำคัญว่าได้บรรลุแล้ ว, เ ป, วเป็นมิจฉาพิมุตเป็นความคิดที่คิดขึ้นเองอ่ะนะก็นึกว่าฉันเนี่ยพ้นแล้วจริงก็ไม่ได้พ้นอะไรส่วนกุศลกรรมบทสิบเนี่ยถ้ารักษาได้ตามนี้เบื้องต้นเลยนะกุศลกรรมบทสิบเนี่ยจริงอ่ะรักษาสุขตีเยวไวนะ้นี่นะป้องกันอบายใเฉย แต่ถ้าประพฤติกุศลกรรมบทสิบเนี่ยจนบริบูรณ์มากกว่านี้ก็ไม่ทำให้เกิดในกามสุขติเกิดเป็นพรหมก็คือพวกได้ฌานทั้งหลายเนี่ยนะก็มโนกรรมเขาดีขึ้นใช่ไหอาณาพิชากับอัพพยาป่าทะเขามีกำลังจนถึงได้เป็นฌานาจิตผู้ที่จะพ้นจากภพทั้งปวงได้ อ, อ บ, บรมตัวสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในอังคุตรนิกาเนี่ยนะติกานิบาศเนี่ย อัตถกถาเวลาพูดถึงกายสุจริตวจีสุจริตมโนสูตรจริตเนี่ยท่านบอกว่าสูตรนี้กล่าวทั้งวัตตะและวิวัตตะเพราะฉะนั้นไอ้ความสุตรจริตเหล่านี้อ่ะผู้ที่บําเพ็ญได้ถึงที่สุดคือพระอรหรอนันต์เห็นไหมการประพฤติพรหมจรรย์ในาศาสนานี้ก็คือการประพฤติสุจริตนั่นเอ ง, องนะประพฤติกายให้สุตรจริตประพฤติวจีให้สูตรจริตประพฤติมโนให้สุตรจริตทีนี้อย่างของเราทั้งหลายหลายๆท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการประกอบอาชีพแล้วนะก็ ที่เหลือไม่ต้องมาทําอะไรรักษาโมโนให้ให้สุจริญใช่ไหมคือถ้าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรทางกายสักเท่าไหร่เนี่ยนะที่เหลือก็คือกิจในการบําเพ็ญมโนสุจริตการประพฤติกายาสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่แหละเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะการประพฤติประเสริฐเนี่ยนะการประพฤติสุจริตสามนะกายวาจาเนี่ยกายาสุจริตวจีสุจริตนี่เป็นอะไรเป็นศีล เป็นศีลส่วนมนุสสุจริตนี่แบ่งออกเป็นสองคือเป็นสมถะกับเป็นวิปัสสนานะก็ผู้ที่ประพฤติสุจริตทั้งทั้งสามประการเนี่ยกายวาจาใจาได้ดีก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนี้เป็นสัมมากัมมันตะนะ ถ้าประพฤติตามนั้นได้เป็นสัมมากรรมตะเท่าคําพูดใดที่พูดโดยเว้นจากวจีทุจริตสี่คือเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดคํหยาพูดเพิร์เจอรพูดส่อเสียดเนี่ยนะคพูดอ น, นันเป็นสัมมาวาจาเนี่ยนะสัมมาวาจาส่วนอนาพิชากับอัพยาปาธาเนี่ยนะไม่อยากได้กับไม่ปองร้ายอันนี้ก็คือสัมมาสังกปะเนี่ยนะเป็นสัมมาสังกปะ ส่วนความเห็นชอบอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐินี้แบ่งเป็นสองระดับนะโลกิยะสัมมาทิฏฐิกับโลกุตระสัมมาทิฏฐิโลกิยะสัมมาทิฏฐิคืออะไรนะโลกิยะสัมมาทิฏฐิแบ่งออกเป็นสองโลกุตระสัมมาทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นอย่างละสอง โลกิยสมมาทิฏฐิคือหนึ่งกรรมมสัสกตาสมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิกานะกรรมมสัสกตาสมมาทิฏฐิก็คือรู้กรรมและผลของกรรมหรือวิบากนั่นเอง นกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิรู้กรรมและผลของกรรมเมื่อเห็นกรรมอย่างถึงวิบากใช่ไหมเมื่ อ, เ ห, อเห็นวิบากก็ย้อนกลับไปหากรรมได้เอาใหม่นะเห็นกรรมมองไปหาวิบากเห็นเลยถ้าเห็นวิบากย้อนไปหากรรมได้อย่างเช่นเรานั่งเรียนธรร ม, มานี่เป็นกรรมไหมเป็นมีวิบากไหมมีั้นก็ ทำกรรมอย่างนี้ก็นึกถึงวิบากที่จกมีต่อไปรู้ถึงวิบากแล้วถ้าเราขณะที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะจิตเห็นจิตได้ยินหรือสรีระร่างกายเนี่ยย้อนไปหาก ร, รมได้ไหมก็เป็นผลของสุดจริตกรรมอยู่แล้วใช่ก็ย้อนไปหารรเรียกว่าเห็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอยู่นี้ก็สาวไปหาวิบากรรที่จกมีต่อไปหรือวิบากที่เรากำลังรับอยู่ขณะ น, นี้ก็ย้อนสาวกลับไปหากรรมอีกก็ได้ ทนี้ส่วนสัจจานุโลมมิกฉานเนี่ยนะก็แบ่งออกว่ายานที่อนุโลมต่อทุกขสัจยานที่อนุโลมต่อสมุทัยสั์อนุโลมต่อนิโรธสั์แล้วก็มรรคสัจที่เห็นทุกขสัตเนี่ยคือเห็นอะไรคือเห็นอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าจริงๆเขาเป็นยังไง จริงๆของเข้านะคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะเนี่ยอันนี้คือความจริงของทุกขสัตถ์เพฉนั้นมีสัจจานุโลมมิจยานก็คือเห็นทุกขสัตถ์เนี่ยตามเป็นจริง ท, ที่ที่อุปาทานขันห้าคือทุกขสัตย์ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทีนี้ทุกขสัตย์เหล่านี้ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดคือสมุทัยนะ ก็คือตัววิปลาสนั่นแหละว่าย่อๆเลยวิปลาสนั่นแหละเป็นเหตุแห่งอุปาทานขันท่าอนะความวิปลาสคือการสร้างขันท่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ดับได้นี่นะอันนี้เป็นนิโรศรนี่นะหรือนิพานที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ดับสิ่งเหล่านี้ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อนะครอบด้วยข้อปฏิบัติอ่านะ ข้อปฏิบัติก็คือการไปเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นต้นน่ะถ้ายังอยู่ในระหว่างนี้ที่เป็นโลกิยะอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัจจานุโลมิกยาย น, นนี้เป็นสัมมาทิฐิ ท, ที่เป็นเป็นเบื้องต้นโลกิยะอันนี้ก็เป็นปัจจัยแก่โลกุตระคือมรคสัมมาทิฏฐิมรค ก, ก็ให้ผลเป็นผลโลกิยะสัมมาทิฐิหรือสัจจานุโลมิกานเนี่ ที่ไม่เป็นโลกุตระเพราะยังมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์ส่วนโลกุตระสัมมาทิฏฐิคือมรรคผลเนี่ยมีมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าเป็นโลกุตระเนี่ยนะผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นสอดคล้องกับหลักอริยสัจอยู่แล้วเนี่ยนะมีความเห็นสอดคล้องหลักอริยสัจว่าทุกทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกคือทุกขสัจใช่ไหม เหตุคือสมุทัยศัสตร์ถ้าดับเหตุถ้าดับเหตุทุกอันนั้นก็ดับข้อปฏิบัติที่จะทำดังที่กล่าวมานั่นแหละเรียกว่ามรคมรคนี้ตัวในครั้งหนึ่งนะว่ามรคนี่แทงตลอดทุกศาสตร์กับสมุทัยศัตร์โดยกิจนั่นนะแทงตลอดนิโรธศาตว์โดย อารมณ์ตัวมัคเนะี่ยมันผู้ที่อบรมมัค ก, ก็คือผู้ที่ทํากิจในการกําหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยมุ่งที่จะทํานิโรธให้แจ้งคนที่ทําอย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติ ด, ดีนะผู้ปฏิบัติ ด, ดีในโลกนี้คือผู้ปฏิบัติในการทํากิจในการกําหนดรู้ทุกขเพื่อละสมุทัยจุดประสงค์เพื่อทํานิโรธให้แจ้ง ถ้าปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็เข้าถึงโลกุตระธรรมเอันผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมก็คือผู้ที่พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลอันนี้คือ1ี่สิบหกเอ่อถ้าแทงตลอดอริยสัจ น, นะด้วยมรรคที่หนึ่งเท่ากับสี่แล้วนะมรรคเนี่ยี่มรรคสี่มรรคก็จึงสิบหกสี่สี่สิบหกน นี่ถ้าทําได้อย่างที่ว่านะก็จะมีอริยวาสเครื่ออยู่แบบพระอริยะเนี่ยนะพระอริยะนี้ก็คืออริยวาสนะเครื่องอยู่ของพระอริยะสิทธาถ้าทํากิจได้อย่างที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดนะธรรมะสิบข้อเหล่านี้จริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันหมดทุกข้อเลยนะมันมีมีเหตุมีผลสัมพันธ์กันหมดเลยเนี่ยนะทีนี้ถ้าทํากิจอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยต้องเป็นพระอริยะอันนี้เป็นเครื่องวัดผลว่าจะได้ผลตามนั้นหรือไม่เนี่ยนะเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาเรียน อริยาวาสิบเนี่ยนะเครื่องอยู่ของพระอาริยะสำหรับผู้ที่เขาอบรมมรรคเสร็จแล้วเป็นยังไง